เคยมาครับป้าทํ า, า, า, าไรนะมาจากที่ไหนข้างฝากมาเลยนะตั้งใจมาเลยครับตั้งใจต่องาเจ็ดโมงเช้ า, าเจ้าค่าะมีอะไรอยากจะถามไหมยังไม่มีเจาา้าคะเพราะว่าอยู่ในช่วงปฏิบัติแบบเรยนนอยเจ้าค่ะเรารู้สึกยังไงเวลาปฏิบัติได้ผลไหม ก็มีไปปรึกษาหัวงพอมันณีอะคะ่ะ อ, อาบาซโลก็คือมีโดนจิตหลอกอะคะ่ะท่านจะเลยบอกว่าให้ตำรวจอยู่ที่ลรงพยใจให้ดีๆอะคะ่ะอืมแล้วก็วเคยเคยปฏิบัติไปแล้วน่าจะดีอะคะ่ะแต่ว่าหยุดไปเพราะความกลัวะคะ่ะด้วยความที่งงไม่รู้เจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็เลยกลับมาปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะอืมต้องมีอะไรกํากับใจไว้ควบคุมใจมสติ อนาปนาสติก็ลมาหายใจเข้าออกพุทธานุสติก็คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธจิตนี้เป็นเหมือนเด็กถ้าเราปล่อยให้เขาเล่นเขาก็จะทำอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้จิตเราชอบปรุงแต่งชอบผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราเองถ้าเราไม่มีสติมันก็จะ มันจะมันจะควบคุมไม่ได้ในเวลานั่งสมาธิที่เราต้องมีสติควบคุมด้วยการเอาใจเราผูกไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกก็ เ, เรียกว่าอานาปนานสติอานาปนานะแปลว่าลมเข้าลมออกอานาปนานสติก็คือให้มีสติอยู่กับการดูลมเข้าออก ถ้าเราคอยดูลมเข้าออกจิตก็จะไม่ไปสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเรารหรือใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธแทนการดูลมหายใจก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องพุทธเข้าโธออกก็ได้คือเอาลมอย่างเดียวก็ได้เอาพุทธโธอย่างเดียวก็ได้<ม>บางคนเขาชอบเอาสองอย่าง<ม>เขาก็เลยเอาหายใจเข้าก็ว่าพุท หายใจออกก็ว่าโทแต่ความจริงแล้วเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะง่ายกว่าเพราะบางทีถ้าเราบริกรรมเราอยากจะบริกรรมให้เร็วนึกช้าเราก็สามารถปรับได้ถ้าเราเอาไปผูกไว้กับลมก็ผูกเราก็ปรับไม่ได้เพราะมันต้องไปกับความเร็วของลมที่จิตบางทีมันคิดมากคําบริกรรมอาจจะต้องเร็ว ก็จะได้สู้กับมันได้ถ้าํำบริกรรมชา่าความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ง่ายัย้นเวลาปฏิบัติก็ทดลองดูกันแล้วกันที่เห็นที่เห็นใช้กันอยู่ก็สามวิธีเนี่ยดูลมาหายใจอย่างเดียวหรือํำบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวหรือผสมกันหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโท ก็ได้ทั้งสามแบบแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเราต้องการต้องการบริกรรมให้มันถี่เพื่อหยุดความคิดเราก็เอาคำบริกรรมอย่างเดียวยังไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าเราบริกรรมแล้วเรารู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดบริกรรมก็ดูลมอย่างเดียวก็ได้บางทีบริกรรมไปสักพักมันอาจจะเหนื่อยก็หยุดบริกรรมแล้วก็ดูลมหายใจต่อ โดยที่ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ข้อสําคัญก็คือต้องมีอะไรควบคุมใจไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าปล่อยให้คิดแล้วบางทีมันก็จะคิดสร้างมโนภาพอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราบางทีก็เป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะทําให้เรากลัวไม่กล้านั่งต่อไป ถ้ามีอะไรขึ้นมาปรากฏแสดงว่าเรากำลังเรากาลังขาดสติเราไม่มีอะไรควบคุมใจเราต้องกลับมาที่การบริกรรมพุโทโธหรือกลับมาที่ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปสนใจกับภาพหรืออะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วภาพเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันเหมือนภาพภาพยนตร์ จิตเป็นคนฉายภาพยนตร์เพราะจิตมันมือไม้ขันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ไม่ต้องหางานให้มันทำหาพุโทโธให้มันท่องหาลมให้มันดูถ้ามันท่องพุโทโธถ้ามันดูลมหายใจมันก็จะไม่มาฉายภาพยนตร์มาหลอกเราแล้วใจเราก็จะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วใจเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข เราได้รับจากสิ่งต่างๆภายนอกใจเช่นราบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าใจสงบแล้วจะไม่อยากได้อะไร <Yeah. S 1> เพราะความสุขมันคนะระดับกัน <Yeah. S 1> ความสุขภายในใจนี้มันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่ามีความ หนักแน่นกว่าทําให้ใจเรามีความหนักแน่นทําให้ใจเราผ่องใสความสุขทางอื่นนี้เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่ทําให้ใจเราหวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าไม่ช้า ก, ก็เร็วความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆมันก็จะต้องจางหายไปแล้วเราก็ต้องหามันใหม่ สูหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าอพอเราพอเราสามารถที่จะหาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไระความสุขภายนอกใจนี้ต้องอาศัยร่างกายต้องอาศัยบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นองค์ประกอบมาทำให้เรามีความสุขเวลาไม่ได้เราก็ทุกข์กัน เวลาเราเคยได้อะไรแล้วพอเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะทุกข์กันแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบเนี่ยเราสามารถรักษาไว้ได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆฉะนั้นให้เราพยายามมาฝึกสติกันให้มากๆสตินี้ต้องฝึกก่อนที่เรามานั่ง ถ้ามานั่งแล้มาฝึกสติมันจะมีกําลังไม่พ อ, อเพราะว่ามันเหมือนกับเบรกลถยนตนะ์เวลาเราจะเบรกลถยนต์เรารู้ว่าสีาา่แยกไฟแดงอยู่ข้างหน้านี้เราต้องเหยียบเบรกตั้งแต่เรายัางไปไม่ถึงสี่แยกไฟแดงถ้าเราไปถึงสี่แยกไฟแดงแล้วค่อยเหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดมันก็จะต้องวิ่งผ่านแยกไป เราต้องเหยียบเบรกก่อนถึงก่อนที่เราจะถึงที่เราต้องการจะหยุดเราต้องเหยียบเบรกชะลอรถก่อนถ้าไปเหยียบตอนถึงที่เราต้องการจะหยุดแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันก็จะต้องวิ่งต่อไปอย่ <S 2> <S 2> ในใจของเราเราก็ต้องการให้มันสงบถ้าเราต้องการให้มันสงบในขณะที่เรานั่งก่อนที่เรานั่งนี่เราก็ต้องหยุดมันก่อนะ ให้สติหยุดมันก่อนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพยายามสร้างสติตลอดเวลาเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้จิตคิดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดให้ดึงจิตมาให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ยกําลังทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ เช็นพอลืมตาขึ้นมาก็ดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนอยู่ในอิริยาบถไหนอยู่ในท่านอนก็รู้ว่าอยู่ในท่านอนพอจะขยับขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังขยับขึ้นมานั่งพอจะยืนพอจะเดินก็ให้รู้ตามตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหวของร่างกาย <Yeah. S 1> เวลาไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้เฝ้าดู การกระทำของร่างกาย <Yeah. S 1> ถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธเข้ามาช่วยก็ได้ <Yeah. S 1> บริกรรมพุทโธพอเตืนขึ้นมาลืมตาพอจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็ดึงกลับมาให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้มาเดานินลุกขึ้มาเข้าห้องน้าทําหน้า้างหน้าล้างตาแปรงฟัน อาบน้ําอาบถ้าก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราทําอย่างนี้พอถึงเวลาที่เราจะนั่งสมาธินี่เราจะทําให้มันสงบได้ง่ายเพราะว่ามันเราได้หยุดมันมาก่อนที่เราจะมานั่งนะเราได้ควบคุมความคิดได้ในระดับหนึ่งพอเรานั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรจิตก็จะปล่อยวางร่างกายเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ เวลาจิตสงบนี้จิตกับร่างกายจะแยกออกจากกาันชั่วคราวถ้าร่างกายยังต้องการต้องต้องมีการเคลื่อนไหวหอยู่จิตก็จะปล่อยร่างกายไม่ได้เพราะจิตนี้เป็นเหมือนผู้เชิดหุ่นร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นผู้เชิดหุ่นเวลาต้องให้ร่างกายทานู่นทานี้จิตก็ต้องเป็นผู้เชิดผู้สั่งให้ขยับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอน ให้ทำนั่นให้ทำนี่เนี่ยจิตเป็นผู้กำลังเชื่อทุนอยู่ถ้ากำลังทำงานอยู่จิตก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เวลาที่จะสงบนี้ต้องต้องปล่อยร่างกายไม่ไปเชืดร่างกายไม่ไปเชื่อทุนปล่อยร่างกายนั่งอยู่เฉยแล้วจิตก็ควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยสติพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปเดี๋ยวจิตก็จะแยกออกจากร่างกาย จิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิคําว่าสมาธิคือความสงบสติคือการดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบคําว่าสติกับสมาธินี้ไม่เหมือนกันแต่ทางโลกนี้เราใช้สับสนกันเราเอาคําว่าสมาธิมาใช้แทนสติใช่เรามักจะพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลย ความจริงต้องเป็นไม่มีสติอยู่กับการทำงานเลยใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีสติคอยดึงให้มาอยู่กับงานที่ทำคำว่าสมาธินี้คือจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดไม่พูดไม่จิตไม่คิดอะไรจิตนิ่งเฉยๆนัางกายไม่พูดไม่ทำอะไรถึงจะเรียกว่าสมาธิอย่างพวกที่ลือสีพระที่เข้านั่งหลับตาเข้าชาน อ, อันนั้นนะ่ะคือสมาธิ ในขณะที่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังทําอะไรอยู่นี้เราเรียกว่าสติมีสติอยู่กับอิริยาบถต่างๆมีสติอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย <Yeah. S 1> ทํางานไม่มีสติเลยวันนี้จิตฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่าสติแต่เรากลับเอาคําว่าเอาคําว่าสมาธิมาใช้แทนสติเราก็เลยไม่รู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไร yeah. เราก็เลยคิดว่าสมาธิก็คือการที่เรามีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่อันนี้ไม่ใช่สมาธินี้เป็นเวลาที่จิตผู้เชิดร่างกายนี้หยุดเชิ่ร่างกายปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆจิตไปพักผ่อนจิตไปนะสู่ไปไปสู่จุดของความสงบจิตกับร่างกายตอนนั้นจะแยกออกจากกันจิตบ้งที บางทีความรู้สึกของร่างกายก็จะหายไปจากจิตเพราะกระแสจิตที่ส่งไปเกาะที่ร่างกายถูกดึงกลับเข้ามาในจิตกระแสจิตก็คือวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้วมือเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับจิตกับร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตอยู่กับอีกที่หนึ่งจิตนี้เหมือนกับคนเชิดหุ่นมี คนที่เขาเชื่อทุนเขาก็มีเชือกที่มาผูกไว้กับแขนกับเท้าเนี่ยแล้วก็เชื่อถุนเชื่อมันผูกไว้กับหน้ากับศรีรษะทำให้ศรีรษะขยับได้ทำให้แขนขาขยับได้อก็มีเชือกมาเชื่อมระหว่างคนเชื่อกับหุ่นน่ะร่างกายนี่ก็เป็นหุ่นจิตก็มีเชือกมาเชื่อม ก, กับร่างกายก็คือมีกระแสวิญ ญ, ญาณ ทั้ง5มามาเชิดที่ตาหูจมูกนิ้นกายมารับรู้เวลาตาเห็นอะไรคนเชิก็จะเห็นตามที่ร่างกายเห็นเวลาได้ยินเสียงคนเชิก็จะได้ยินเสียงได้ยินจากกระแสของวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คนเชิก็จะรู้จิตก็จะรู้ว่าร่างกายตรง น, นี้กําลังปวด ปวดที่ศีรษะปวดที่ท้องเพราะมีกระแสวิญญาณมาเกาะ อ, อยู่ที่ที่ร่างกายกระแสวิญญาณนี้เป็นตัวรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระนี่ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นผู้รับรู้ร่างกายเป็นเพียงผู้ส่ ง, ส, งส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับจิต ตัวร่างกายเองไม่มีความรู้ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้นเป็นเหมือนหุ่น เ, เวลาที่จิตนั่งสมาธิจิตก็ดึงกระแสวิญญาณทั้งห้านี้ออกจากร่างกายหยุดการติดต่อรับรู้เรื่องราวทางต่างของทา ง, ทางร่างกายไป เ, เวลาจิตดวมนี้บางร่างกายหายไปเลยก็มีบางทีไม่หายแต่จิตก็รับรู้แต่ไม่มีอาการตอบโต้ คือจะไม่มีความรู้สึกมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็สักแต่ว่ารู้จะไม่มีอารมณ์กับการรับรู้จะเฉยเฉยจะไม่รำคาญเวลาคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็จะยรับรู้ได้อย่างสบายเวลาจิตสงบนี่คือความวิเศษของสมาธิ เวลาจิตสงบแล้วจิตจะเป็นกลางจิตจะปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงจะสักแต่ว่ารู้เวลาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเวลาได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้เห็นแล้วก็เกิดความรักความชังความกลัวความหลงขึ้นมาเวลาจิตไม่สงบนี้เวลาเห็นอะไรจะเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาทันทีอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นภาพบาง บางภาพก็รักอยากได้ชอบเห็นกระเป๋าสวยๆเห็นรองเท้าสวยๆก็รักขึ้นมาทันทีเห็นเห็นเศษขยะมันก็ชังขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิจิตที่สงบนี้จะเฉยๆเห็นก็สักเท่าไหรเห็น <c oughs> ไม่ได้ว่าสวยหรือว่าไม่ได้ว่าน่าเกลียดน่ารักน่าชังรับรู้ได้อย่างสบายไม่มีอารมณ์กับความ รับรู้ของสิ่งต่างๆใจก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องวุ่นวายที่เราวุ่นวายกันกเพราะความรักความชางังความกลัวความหลงเนี่ยพอลักแล้วใจก็สั่นนะใช่ไพอชังแล้วใจก็สั่นพอกลัวใจก็สั่นพอหลงก็สั่นแต่ถ้าใจสงบใจมีสมาธิแล้วจะไม่สั่นเห็นอะไรก็ไม่สั่น ได้ยินอะไรก็ไม่สันใครจะด่าก็ไม่สันใครจะรงชมก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจศักแต่วารู้ไปนี่คือประโยชน์ของสมาธิจะทำให้ใจเหล่านี้ไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งที่มากระทบถ้าไม่มีสมาธินี้ใจเราจะอ่อนไหวได้ง่ายได้ยินเสียงเบาๆเสียงที่เขาด่าเราเบาๆแค่นี้ก็ใจก็ ล้มละเนละนาตไปแนละ้ไม่ต้องให้มันเสียงดังเนะพียงเสียงค่อยๆนะเสียงกระซิบดา่าเราแบบกระซิบนี่ก็ทําให้ใจเราเศร้าแนละ้วแต่ถ้ามีสมาธิใจจะเฉยๆใจจะไม่มีความรู้สึกหวันไหวไม่รู้สึกดีออกดีใจอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฝึกสติถ้าไม่มีสติต่อให้นั่งสมาธิไป กี่ชั่วโมงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ความสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่งเฉยๆเพียงอย่างเดียวนั่งเฉยๆนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วแต่ใจไม่เฉยใจไปคิดเรื่องต่างๆนั่งไปก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดผลไม่เกิดความสงบคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลก็เพราะว่า สติไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังที่จะหยุดเพราะไม่ฝึกไม่สร้างสติกันมาก่อนมาสร้างตอนที่กำลังนั่งมันก็เลยไม่ทันการพอจะได้กาลังหน่อยก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ทนไม่ไหวแล้วนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกแล้วเราต้องฝึกสติให้มากๆกก่อนที่เราจะมานั่งฝึกตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนหลับ สตินี้เราฝึกได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทาอะไรเราฝึกได้ไม่ต้องไปอยู่วัดไม่ต้องไปอยู่คนเดียวเพียงแต่ว่ามันยาก ง, ง่ายต่างกันท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวมันฝึกสติง่ายกว่าถ้าอยู่กันหลายคนต้องเกี่ยวข้องกันมันจะควบคุมไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เดี๋ยวเห็นคนนั้นเห็นคนนี้จิตก็จะเริ่มคิดนะจะพูดอะไรกับเขาดีเนาะไม่พูดเดี๋ยวเขาก็จะว่าเรา พูดมากไปเขาก็จะไม่ชอบเราอีกก็ต้องใช้ความคิดพอคิดพอคุยกันก็ต้องใช้ความคิดคุยกันไปคุยกันมาก็ยิ่งคิดกันใหญ่จิตก็เลยไม่มีวันที่จะมีสติได้สติคือการให้รู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดกับสิ่งที่เรารู้ดูอะไรทำอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่ไม่ต้องไปคิดว่าเรากำลังทำนู่นทำนี่ ต้องการจะหยุดความคิดเดนัเราต้องหัดฝึกสติให้มากถ้าเรามีสติมากนี่นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็พอสงบแล้วที่ก็นั่งไปสบายชั่วโมงหนึ่งก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่รู้เสกเจ็บรู้สึกปวดตรงไหนเลยออกมาก็มีความสดชื่นเบิก บ, บานมีความเป็นกลางใจจะเฉย เหมือนเราเอาน้ำเย็นน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นพอแช่สักพักน้ำมันเย็นเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำมันจะเย็นแต่ถ้าเราเอามาทิ้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเย็นได้จิตที่เข้าไปในสมาธิก็เย็นเวลาออกมาใหม่ๆก็เหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาจากตู้เย็นใหม่ๆออกจากสมาธินี้ใจจะเย็นจะสบาย จะเฉยจะไม่วุ่นวายไปกับอะไรแต่สักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะเริ่มวุ่นวายเห็นอะไรเริ่มรักเริ่มชังเริ่มกลัวเริ่มหลงขึ้นมาถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องกลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เราต้องการรักษาความเย็นของใจรักษาความเป็นกลางความไม่มีรักชังกลัวหลงในใจเราจึงต้องพยายามเข้าสมาธิบ่อยๆ พอออกมาใหม่ๆมันเย็นสบายก็ทําอะไรที่เราต้องทําไปพอทําเสร็จพอมันเริ่มเกิดความรักความชังเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่นี่คือการปฏิบัติแบบต่อเนื่องแบบพวกนักบวชเขาปฏิบัติกันนักบวชนี้เขาไม่มีหน้าที่อะไรหน้าที่หลักของเขาก็คือรักษาใจให้เย็นรักษาใจให้สงบ รักษาใจให้สบายเพราะความสุขอยู่ที่ความสงบนั่นแะถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีสิ่งต่างๆที่คนในในโลกเขามีกันเพราะคนในโลกนี้เขาไม่มีความสุขในใจนั่นเองเขาเลยต้องมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆ จากเสื้อผ้าจากรองเท้าจากกระเป๋าจากคอนโดจากรถยนต์จากเครื่องอประดับต่างๆแหวนเพชรตุ้มหูสร้อยอะไรต่างๆแล้วก็หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือความสุขของคนที่ไม่มีความสุขในใจคนที่มีความสุขในใจนี้เขาจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นความสุขแตเม่อพวกแม่ชี พวกพระที่บวชกันเนเขาไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับพวกที่ไม่ได้บวชเขาเพียงแต่มีความสงบเขาก็มีความสุขแล้วเขาจึงต้องคอยดูแลรักษาใจของเขาให้สงบสิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือสติดังนั้เขาต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เงียบๆ เ, เพราะเป็นที่ที่จะสร้างสติขึ้นมาได้ง่าย แต่ถ้าไปอยู่กับที่มีเรื่องราวต่างๆจะไม่มีมันจะสร้างสติได้ยากเรื่องราวต่างๆจะฉุด拉ใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้หยุดคิดไม่ได้นะครันี่คือเรื่องของความสุขสองรูปแบบความสุขส่วนรูปแบบที่ญาติยมมีกันอยู่นี้เป็นความสุขภายนอก ความสุขที่ที่เพราะที่ใจไม่มีความสุขภายในเลยต้องไปหาความสุขภายนอกเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกให้มาหาความสุขภายในกันก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอกเห็นคนอื่นเขาหาความสุขแบบไหนก็เห็นก็ทําตามเขาเามีอะไรก็มีเหมือนเขาก็มีรถก็ต้องซื้อรถเหมือนเขา มีกระเป๋าก็ต้องมีกระเป๋าเหมือนเขาเขามีรองเท้ามีอะไรก็ต้องมีเหมือนเขาไปเพราะมันเป็นวิธีหาความสุขในรูปแบบที่มันง่ายที่มันชัดเจนที่คนทั้งโลกทำกันหากันแต่ความสุขที่นักบวชหากันนี่จะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันถ้าไม่ได้มาเจอนักบวชนั่นไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้อ่านหนังสือ ของนักบวชเนี่ยจะไม่รู้วิธีหาความสุขเอกรูปแบบหนึ่งความความสุขที่เกิดจากการรักษาใจให้สงบไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งโดยการเจริญสติอันนี้เป็นการรักษาใจในระดับแรกระดับที่ยังไม่ถาวรเพราะเวลาใดที่เราเผลอสติปล่อยให้ใจคิดความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปได้ ดัะนั้นต้องใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองหลังจากที่เราได้ความสงบจากสติแล้วพอเราออกมาจากสมาธิเราก็ต้องมาสอนใจให้หยุดสิ่งที่จะมาทําลายความสงบสิ่งที่จะมาทําลายความสงบของใจไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความอยากความอยากต่างๆเวลา เกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะไม่สงบใจจะสั่นเวลาอยากได้อะไรนี้ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะว่ามันเป็นความสุขสําหรับคนที่ไม่มีความสงบไม่มีความสุขในใจคนที่มีความสุขภายในใจแล้วไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกไม่ต้องไปทําอะไรตามความอยากต่างๆเช่นอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากจะดื่มอะไร อยากจะรับประทานอะไรที่ไม่จาเป็นจะต้องไม่ต้องดื่มไม่ต้องรับประทานก็อยากไปดื่มดื่มถ้าจะดื่มหรืจะรับประทานก็ต้องเป็นเวลาเป็นการให้อาหารให้น้ำแก่ร่างกายแต่ไม่ได้ให้ด้วยความอยากให้ด้วยความจําเป็นถ้าให้ด้วยความอยากนี่มันจะทำลายความสงบของใจเพราะมันจะทำให้ใจต้องอ ย, อยากอยู่เรื่อย ดันต้องฝืนความอยากต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าเกิดความอยากแล้วไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาพอไม่โผล่ขึ้นมาใจที่สงบก็จะไม่ก็จะไม่ความสงบก็จะไม่หายไปความสงบหายไปเพราะอำนาจของความอยากพออยากอะไรป๊บนี่ ใ, ใจมือไม้สัน่นใจสัน่น เงินในกระเป๋านี้ร้อนขึ้นมาแล้วต้องคว้ากอดมาใช้ต้องเสื้อไอ้นู่นเสื้อไอ้นี้แล้วมันถึงจะหายสัน่นแต่มันหายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกก็สั่นขึ้นอีกอันนี้นี่คือโทษของการไม่ทำตามความอยากเพราะมันไม่หมดมันไม่จบอยากได้สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อได้สิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยากได้สิ่งนี้อีกกลับไปกลับมากลับ ความอยากอยู่เรื่อยเพราะความสุขที่ได้จากความอยากมันเดี๋ยวเดียวได้ขณะที่เราได้ดังใจอยากแล้วทักปับหนึ่งก็หายไปนะแล้วแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายกับความอยากก็คืออยากไปทําความอยากอย่างไรคนที่เขาเลิกบุหรี่เลิกสุราได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ไปทําตามความอยากเวลาอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ไม่สูบ ทุกครั้งที่อยากบุหรีก็ไม่สูขเดี๋ยวความอยากก็หมดไปเองคนที่อยากจะนั่ดื่มโลาก็เช่นเดียวกันเวลาอยากจะดื่มโซลาก็ต้องไม่ดื่ม mm hmm. พอไม่ดื่มสัาากพักเดี๋ยวความอยากก็หายไปแต่ช่วงที่ไม่ดื่มตอนนั้นมันทรมานใจแต่คนที่มีสมาธิมีความสงบแล้วจะไม่ทรมานจะสามารถสู้กับความอยากได้อย่างสบายเพราะมีความสงบมีความสุข ยากสมาธิมาคอยให้ความสุขก็เลยไม่รู้สึกทรมานใจเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิจึงยากถึงจึงเลิกอะไรได้ยากติดอะไรแล้วนี่เลิกได้ยากเวลาอยากแล้วนี่นใจใจมันสัน่นแต่ถ้ามาฝึกสมาธิได้ใจสงบแล้วเวลาไปเลิกอะไรนี้ใจจะไม่สัน่นจะรู้สึกเฉย แต่รู้ว่ามันอยากอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาเราก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ทําแล้วตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปอยากซื้อกระเป๋าเดีนี้พอเลิกซื้อแล้วต่อไปเห็นกระเป๋าก็จะเฉยเฉยอยากซื้อลองเท้าถ้าไม่ซื้อลองเท้าไปต่อไปเห็นรองเท้าก็เฉยเฉยอยากไปเที่ยวพอไม่ไปเที่ยวต่อไป ก็จะรู้สึกเฉยๆแต่จะทำได้นี้ต้องมีสมาธิช่วยถ้าไม่มีสมาธินี่แทบจะทำกันไม่ได้ทำได้ก็อาจจะครั้งสองครั้งฝืนได้สักครั้งสองครั้งเดี๋ยวครั้งที่สามก็ไม่ไหวแล้ะยกทงขาวกลับไปทำใหม่ต่ อ, <c oughs> อยังนั้นต้องมาฝึกสมาธิกันถ้าเรามาฝึกสมาธิเรามีความสุขในใจแล้วเราจะ เลิกความอยากต่างๆได้ถ้าเราเลิกความอยากต่างๆได้แล้วใจจะสบายใจไม่ต้องพึ่งอะไรตอนนี้ถ้าเรายังมีความอยากอยู่นี่ใจต้องพึ่งพึ่งสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากก็คือรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นนอกจากพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสแล้วยังต้องมาพึ่งตาหูจมูกนิ้นไก่เพราะต้องมีตาถึงจะเห็นรูป หูถึงจได้ยินเสียงนี่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกิ่นรสมันก็ไม่เที่ยงรูปบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาอยากจะดูเวลาไม่ได้ดูก็เสียใจแล้วตานี้มันก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้งกายก็ไม่เที่ยงต่อไปมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวกลายเป็นคนแก่จะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ไหวแล้ว ไม่ไ้กถ้ายิงาย่งเป็นคนไม่สบายยิ่งทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็เลยยิ่งทรมานใจเพราะอยากแล้วไม่สามารถทําตามความอยากได้เหมือนคนอยากสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบบุหรี่อยากดื่มโซดาแล้วดื่มไม่ได้ใจก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเลิอกอาศัยสิ่งเหล่านี้ได้เวลาต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีความสุข อยากการทาใจให้สงบได้เพราะการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้สติ mm hmm. ตอนนี้เรามาสร้างสติกันดีกว่ามาพึ่งสติดีกว่าพึ่งตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ mm hmm. เพราะมันไม่เที่ยง mm hmm. แต่สตินี้ถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับเรามันจะเป็นของเราตลอดเวลา มันจะสามารถทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสพเมื่อเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็เลิกมีร่างกายอันใหม่เพราะการมีร่างกายอันใหม่มันก็เป็นภาระ ไหนจะต้องเลี้ยงดูร่างกายกว่าจะโตขึ้นมาได้นี่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหน็ดเหนื่อยกับการสอนให้มันทำอะไรต่างๆต้องมาเนหน็ดเหนื่อยกับการไปหาวิชาความรู้ไปโรงเรียนเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้นี้มาเป็นเครื่องมือให้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกกันแล้วก็ยังต้องมาทุกกับความแก่ ทุกขกับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายงั้นถ้าเรายังไม่เลิกความอยากเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยถ้าเรายังไม่เลิกความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสนมกลิ่นอยากซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยากไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เราก็จะต้องกลับมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกมาแบกภาระของร่างกายแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ความทุกข yeah. mm ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่หยุดความอยากกันแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ไม่ใช่หนสองหนจะเป็นแสนล้านหนเลยจกลับมาเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเรากลับมาเกิด น, นี้ไม่รู้เป็นครั้งที่กี่ล้านล้านหนแ ล, ล้วน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวมกันนี้ท่านบอกว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี้คิดดูว่าจะต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งมาล้อมให้กันกี่ครั้งถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทร นั่นแหะคือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของพวกเรางั้นอย่ า, ยาไปเห็นว่าความอยากเป็นเพื่อนนะตอนนี้พวกเราคิดว่าความอยากเป็นเพื่อนกันเวลดามันเราชวนนี้ไปกับมันเลยใช่ไหมชวนไปเที่ยวก็ไปเลยชวนไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็ไปเลยเราคิดมันเป็นเพื่อนเพราะว่าเวลามีความอยากแล้วได้ทำตามความอยากมันสุขไหสุขใช่ไอได้เที่ยวมันสุขไหม ได้ดื่มกาแฟได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบสุขไหมแต่มันมีโทษตามมาในภายหลังเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมันเป็นยังไงทุกข์มันสุขเวลากาแฟหมดอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาไม่มีกาแฟให้ดื่มเวลาอยากไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวอย่างี้จะรู้สึกยังไงความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความว่าเลก็จะเข้ามาแทนที่ เราต้องมองด้านไม่ดีของความอยากแล่เรามักจะไม่มองกันเราจะมองแต่ด้านดีของความอยากอยากอยากเรามีความสุขอยากดูพอไปดูก็มีความสุขอยากไปดูภาพยนตร์พอไปได้ดูภาพยนตร์ก็มีความสุขกันอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็มีความสุขกันอยากซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อเสื้อผ้าพอได้ซื้อก็มีความสุขกัน แต่ไม่มองเวลาที่อยากแล้วไม่ได้จะเป็นอย่างไรต้องหัดมองในมุมกลับบ้างมองในแง่ลบบ้างเพราะชีวิตนี้มันไม่มีแง่บวกเพียงแง่เดียวมเป็นเหมือนเหรียญเหรียญมันมีสองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยเวลาเราโยนหัวโยนก้อยบางทีมันก็ลงมาหัวบ้างบางทีมันก็ลงมาก้อยบ้างฉันใดชีวิตเราก็เหมือนเหรียญเนี่ย บางทีมันก็พลิกไปพลิกมาบางทีก็ได้ดังใจอยากก็สุขกันเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์กันแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่มีผลอะไรเพราะเราไม่อยากได้อะไรไม่มีกระเป๋าไม่มีรองเท้าเราก็มีความสุขได้ไม่มีกาแฟดื่มไม่มีภาพยนตรย์ดูเราก็มีความสุขได้ไดไดไดถ้าเรามีความสงบ นี่แหละความสงบมันชนะความสุขทั้งทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนแต่ความสุขในรูปแบบอื่นนี้มันต้องมีนั่นมีนี่มาสนับสนุนต้องมีเงินทองถึงจะไปเที่ยวได้ถึงจะซื้อข้าวซื้อของได้ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะไปทําอะไรได้ ถ้าเกิดร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือที่ก่อนที่การไปที่นี้ก็เดือดร้อนแลสินี่แหละคือเรื่องของความสุขที่เกิดจากความอยากกับความสุขที่เกิดจากไม่มีความอยากความสุขที่ไม่มีความอยากนี่มันดีกว่ามันสบายกว่าเพราะมันไม่ต้องพึ่งอะไรมันพึ่งในสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเราคือสติตอนนี้เรามีสติแต่ยังมีน้อยมาก ยังไม่พอยังอยู่ในระดับอนุบาลอยู่เราจรึงต้องมาฝึกสติให้มันอยู่ในระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาให้ได้โดยการหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็หยุดแล้วก็มาคิดเท่าที่จาเป็นจะต้องคิดคิดในเรื่องที่จาเป็น แต่เรายังต้องทํางานอยู่แล้วต้องคิดเรื่องงานก็คิดไปแต่อย่าไปคิดเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มพอหมอไม่ต้องคิดเรื่องงานก็หยุดคิดแล้วกลับมาพุทโธพุทโธต่อถ้าเราไปคิดเรื่องกินเรื่องดื่มแล้วเดี๋ยวความอยากมันจะตามมาพอคิดถึงเรื่องดื่มเดี๋ยวก็อยากจะดื่มขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องกินก็อยากจะกินขึ้นมาเราต้องควบคุมความคิดเพราะความคิดมันจะนําไปสู่ความอยาก ถ้าไม่คิดแล้วความอยากจะเกิดไม่ได้ความอยากมันอาศัยความคิดเป็นตัวนำงั้นเราต้องมาควบคุมความคิดให้คิดแต่เฉพาะความคิดที่จําเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับความอยากเกี่ยวกับความจําเป็นคิดได้เหมือนกับเวลาที่เราต้องอาบน้ำเนี่ยก็คิดได้ว่าตอนนี้ถึงเวลาอาบน้ําแล้วไปอาบน้ําแต่อย่าไปคิดเพราะอยากจะอาบน้ำทั้ง ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ จำเป็นจะต้องอาบถ้าอาบด้วยความอยากเดี๋ยวมันก็อยากจะอาบอยู่เรื่อยๆนี่คือการฝึกจิตการรักษาจิตให้จิตเรามีความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เรามีกันเพราะสิ่งที่เรามีเราไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่เป็นของเราไปได้ตลอด ไม่ช้า ก, ก็เลยวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปแในเวลานั้นเราก็จะทุกข์กันแล้วเราแต่เราก็จะไม่เข็ดพอสักพักเดี๋ยวเราสิ่งเราเสียอะไรไปเดี๋ยวเราก็ไปหามาทดแทนใหม่เสียแฟนไปเดี๋ยวสักพักก็หาแฟนใหม่มาทดแทนเสียกระเป๋าเสียรองเท้าไปเดี๋ยวก็หามาทดแทนใหม่ถ้ามเกิดขโมยขึ้นบ้านขโมยกระเป๋าขโมยเสื้อผ้าไปหมด แล้๋ยวก็ไปซื้อมาใหม่กัเพราะเรายังติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้อยู่งั้นเราพยายามเลิกหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเพราะมันมีความทุกข์ตามมามาหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาคือการมาฝึกสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันถ้าใจสงบแล้วแล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าถ้าอยากจะให้ใจสงบไปเรื่อยๆ ก็ต้องอยากไปทําตามความอยากพอมีความอยากเกิดขึ้นมานีในใจจะเริ่มสั่นึ้นมาทันทีอยากจะกินอยากจะดูอะไรนี่อยู่ไม่เป็นปกติแล้วอยู่ไม่ได้นั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปทําสิ่งที่อยากทันทีแต่ถ้าเราใช้ความความรู้คือปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าอย่าไปทําเลยมันสั่นก็ใช้สติหยุดมันดีกว่า พุดโธพูดโ ท, ดโทไปสองสามทีมันก็หยุดสัน่นนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันโผล่ขึ้นมามันก็ไม่สามารถชวนเราไปทําตามที่มันต้องการได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาลบกวนใจใจของเราก็จะสงบไปตลอดเวลามีความสุขไปตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับ ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่นี่คือประโยชน์ของจิตที่สงบนี่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับอะไรทั้งสิ้นจิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกนี่ของท่านสงบไปจนทั่งถึงปัจจุบันนี้จิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังสงบอยู่ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับเราเท่านั้นเองแต่จิตของท่านไม่มีวันตายเหมือนกับจิตของเราไม่มีวันตาย ต่างกันตรงที่จิตของท่านสงบตลอดเวลาส่วนจิตของเรานี่อยากตลอดเวลาอยากตลอดเวลาก็เลยสั่นตลอดเวลาอยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลาตอนนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้สั่นไม่ให้ทุกข์ให้ใจของเราอยู่อยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดเวลา พระพุทธเจ้าได้ค้นพบวิธีแล้วได้ทําจิตของท่านให้สงบมาแล้วให้มีความสุขตลอดเวลามาแล้วท่านก็เลยเอามาสอนพวกเราใครได้เอาไปถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้จิตของเขาก็จะสงบได้เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าเช่นพระ อ, อรหันตาสาวกทั้งหลายเนี่ย จิตของท่านก็สงบเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเรื่องของความสงบของใจนี้ของพระพุทธเจ้าข อ, ะะของพระสาวกของพระสาวกนี่เหมือนกันจิตของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จิตของเราตอนนี้เปรียบเหมือนกับคนไข้คนไม่สบายตอนนี้เราโชคดีเราได้เจอหมอเจอโรงพยาบาลแล้วรีบไปรักษานโรงพยาบาลของจิตก็คือวัดนี่แหละเมืองไทยจึงไม่ค่อยมีจิตแพทย์เท่าไหร่ พราะเวลาคนไม่สบายใจก็ไปวัดกันจิตแพทย์เลยาหาเงินไม่ได้ทำอาชีพจิตแพทย์ในประเทศไทยไม่ค่อยได้กันเพราะคนส่วนใหญ่จะไปวัดกันมากกว่าเวลาไม่สบายใจก็ไปอยู่วัดกันไปรักษาใจให้สบายไม่เหมือนฝรั่งนี่เขาไม่มีวัดไปเวลาเขาเครียดเขาทุกข์เขาก็เลยต้องไปนั่งระบายให้กับจิตแพทย์ฟัง แล้วจิตแพทย์ก็เก็บเงินแล้วก็ให้ยานอนหลับมาเท่านั้นเองเพียง mm hmm. แต่ได้ไปได้ระบายแล้วจิตแพทย์ก็อาจจะบอกให้ว่าปล่อยวางนะอย่าไปอย่าไปอะไรเหมือนกับที่พระสอนนี่แต่เมืองไทยนี้ไม่ต้องไปเสียเงินหาจิตแพทย์ mm hmm. ไปทําบุญกับพระไปฟังเทศฟังธรรมจิตแพทย์จึงไม่ค่อยมีอาชีพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเมืองไทย ไม่เหมือนต่างประเทศนี่จิตแพทย์นี่อาชีพเขารุ่งเรืองกันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราตอนนี้จิตใจของพวกเราอย่างไม่สบายกันยังสั่นอยู่ยังวุ่นวายอยู่ยังเครียดอยู่ยังวิตกยังกังวลยังห่วงใยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ปัญหาเหล่านี้รักษาได้ด้วยด้วยยาของพระพุทธเจ้าคือธรรมโอสฐ คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาฟังคำสอนให้มารู้จักวิธีรักษาใจด้วยสติด้วยปัญญาแล้วพอเราเอาไปปฏิบัติได้ใจของเราจะหายจากโรคภัยค่าเจ็บคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่ต้องดิ้นรนเหมือนที่เรากำลังดิ้นรนกันอยู่ทุกวันนี้ ถ้ารักษาใจให้สงบได้แล้วไม่ต้องทำงานทำอะไรให้เหนื่อยทาไมเพราะไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขไม่ต้องใช้เงินซื้อคอนโดไม่ต้องใช้เงินซื้อรถเก๋งไม่ต้องใช้เงินซื้อเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าแค่ชุดสองชุดก็พอแล้วเมื่อกี้มีแม่ชีมาสามรูปเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเลยเขาก็หาความสุขแบบพวกเราเขาก็หาความสุขจากการใช้เงินซื้อไซต์ต่าง ป๋ก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนํำมาไปปฏิบัติตอนนี้เขาก็เลิกทํางานได้แล้วเลิกวุ่นวายกับการหาเงินใช้เงินเหมือนกันที่พวกเราหากันอยู่เอามาหาสติหาปัญญาป๋องก็มีสติมีปัญญาใจเขาก็สงบมีความสุขนี่คือการรักษาใจขอให้พวกเรารู้ ยอมรับสภาพว่าตอนนี้เราเป็นคนไม่สบายเป็นคนไข้กันรีบไปหาหมอรีบไปหาโรงพยาบาลกันอย่าดื้อย่าดืออา้อยาอย่าดื้อหมอพรามันจะทำให้เราทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ดื้อหมอไม่ดื้อยาเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะหายจากโลกของใจคือความทุกข์ต่าง ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินกันในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุราปะริปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิตโตทินามเปตาหนังอุปกาปติอิตที่ตังปฏตที่ตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามานิโชติ พระโสยทาสพภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศิริสะนิจจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโสุขัง าใครยังไม่ได้นังสือประวัติระอาจารย์มั่นก็มาหยิบเอาเนะเพราะเดี๋ยวมันหมด น, นังสือดีนะอ่านแล้วจะเกิดศรัทธาอยากจะเข้าโรงพยาบาลอยากจะรักษาโรคจิตใจตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่สบายกันปัญหาเราคิดว่าเราสบายกัน แต่เวลาล้องให้เนี่ยเราไม่รู้ว่านั่ น, นอ่ะเป็นกำลังโลกกำลังกำเริบหนังสือประวตาสรอาจารย์มั่นเป็นหนังสือที่ดีมากนะนอ่านแล้วจะเกิดศรัทธาวันนี้ทางเฟ b บุ๊กข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสูงสุด448ค่ ะ, ะทางยูทูบ112ค่ะ อันนี้มีต่างชาติเข้ามามไห ม, มยังไม่มีธรรมดาก็มีชาวต่างชาติอยู่สองสามคนที่ก็ติดตามอยู่เป็นประจําคนหนึ่งก็มาจากอังกฤษคนหนึ่งก็มาจากลาสเวกัสคนหนึ่งก็มาจากฝรั่งเศส<ม>เขาก็เคยมาเมืองไทยมาฟังทำที่นี่ก็<ม>ลกลับไปบ้านก็ยังติดตามฟังอยู่ถึงแม้ก็จะไม่เข้าใจ เวลาเขาอยากจะถามอะไรก็ส่งข้อความก็มาถามเขาเห็นประโยชน์ของธรรมะเพราะเขาอยู่ที่ประเทศที่เจริญทางวัตถุแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าวัตถุสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆของเขาให้หมดไปได้ยังมีปัญหาทางจิตใจที่ความเจริญทางด้านวัตถุไม่สามารถที่จะแก้ให้เขาได้ พอเข้ามาได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก็รู้สึกจะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆที่เขาไม่อยู่ลงไปได้เขาก็เลยเห็นคุณค่าของศาสนาเขาเห็นคุณค่าของศาสนาพูทเพราะว่าศาสนาพุทธเรานี้ไม่ได้เป็นศาสนาพิธีกรรมเป็นศาสนาเหตุผลเราไม่ต้องสวดไม่ต้องไหว้ไม่ต้องอะไร ที่เราทำกันก็เพราะว่าไม่มีใครสอนให้ถูกไปสอนให้ว่าให้สวดกันไม่ได้ให้มาสอนให้มาคิดตามเหตุตามผลกัน <Okay. S 2> ก็เลยดูเหมือนว่าเป็นศาสนาศาสนาพิธีกรรมไปแต่นั่งเดิมที่ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาเหตุศาสนาผล <Okay. S 2> เป็นศาสนาของปัญญาปัญญาก็คือเหตุผลนี่เองความคิดคิดด้วยเหตุด้วยผล ทำอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้ตามม า, าการกระทำเป็นเหตุผลที่ได้รับก็คือความสุขบ้างความทุกข์บ้างก็จะเป็นผลตามมานี่คือเรื่องของศาสนาที่ที่รู้เหตุของความทุกข์ของมนุษย์เราที่ที่พวกเราวุ่นวายกันทุกวันนี้รู้ว่าเพราะอะไรรู้ว่าเพราะความอยากนี่เองถ้าหยุดความอยากได้แล้วปัญหาต่างๆ ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทานเวลาอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำทานนี่คือวิธีแก้ความอยากเที่ยวทุกครั้งอยากจะเที่ยว เ, เงินที่จะไปใช้กับการเที่ยวนียไปทำบุญด้ยต่อไปมันก็จะไม่มีเงินเที่ยวความอยากมันก็จะไม่อยากเที่ยว แลเวลาทําบุญมันก็อิ่มใจสุขใจมันก็เลยทำให้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนเพราะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปเที่ยวเงินก้อนเดียวกันเนียไปเที่ยวกั บ, ก บ, กบไปทําบุญเนียความสุขใจได้ได้มากกว่าจากการทาบุญทําทานมากกว่าการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี่สุขเดียวเดียวกลับมามหายไปหมะการทําบุญทําทานกลับมาบ้านยังอิ่มใจยังสุขใจอยู่ นี่คือวิธีแก้ความอยากที่พระเจ้าสอนถ้าจะใช้เงินไปซื้อความสุขก็ซื้อด้วยการทําบุญดีกว่าจะได้ความสุขใจอิ่มใจดีกว่าความสุขที่ไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ากันซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามาดีใจแค่วันสองวันเนี่ยบางทีไม่ทีไม่ถึงวันสองวันเลยกลับมาบ้านก็หายไปลนะ้วแต่ความอิ่มใจนี้ไม่มีเลยแต่ถ้าไปทําบุญนี่ใจจะกลับมาบ้านใจยังอิ่มยังสุข อย่างสบายอย่างนี้พระเจ้าสอนนี้เป็นเครื่องมือสู้กับความอยากทําทานถ้าจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็ไปทําทานถ้าจะทําบาปด้วยความอยากเพื่อให้หยุดมันรื้อสินเพราะทําบาปแล้วจะทําให้ใจร้อนใจทุกข์ใจไม่สุขเวลาทําบาปใจละจะเวลาไม่ใจไม่ได้ทําบาปใจจะสบาย สังเกตในเวลาเราโกหก ก, หกับไม่โกหกนี่นไหนสบายกว่ากันเวลาสักโกหกแล้วใจไม่ค่อยสบายเวลาขโมยของแล้วนี้ใจไม่ค่อยสบายเวลาไม่ไม่ได้ขโมยเวลาไม่ได้โกหกนี้สบายกว่าอันนี้ก็คือศีลแก้ความแก้ความอยากที่จะทำบาปแล้วก็มาภาวานาเนี่ยมาฝึกสติทําใจให้สงบอันนี้จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วข่าว แวลาออกจากความสงบมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากพอเลิกความอยากได้ความสงบก็จะถาวรจะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะสุขไปตลอดบรมลมะสุขปัลมังสุขขังนี่คือเรื่องของการที่เรามาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกัน เราจะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วเราจะทำให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะจะการกจัดความทุกข์ต่างๆได้ดีกว่ า, าจากได้ดีกว่าการไปหาความสุขจากการใช้เงินจากการซื้อข้าวซื้อของจากการไปเที่ยวมันดับความทุกข์ไม่ได้หมดไม่เหมือนกับการมาปฏิบัตนะิศีลสมาธิปัญญา จะทำให้จิตของเรานี่ปราศจากความทุกไปตลอด เ, อนะเดี๋ยวจะให้ทางบ้านก็ถามถ้าไม่มีใครถามถ้าอยากจะกลับก็กลับได้นะถ้าอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ไม่ห้ามนะมีคำถามว่ามาเลยคำ ถ, ถามจากคุณบีนาค่ะหากเราไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาซีหลอก ใช้เพื่อการศึกษาจะถือว่าเป็นการผิดศีลไหมคะก็แล้วแต่ว่าเจ้าของนิสิต ก, ก, ก็ห้ามหรือไม่ห้ามถ้าเขาห้ามก็ต้องไปขออนุญาตจากเขาก่อนถ้าเขาไม่ห้ามก็สามารถที่จะทําได้ mm hmm. คือของนี่มันมีเจ้าของเนี่ยแล้วการเอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตก็เรียกว่าเป็นการขโมย <Yeah. S 2> ผิดศีลข้อสองอธินาง mm hmm. นั้นก่อนที่เราจะเอาของใครเข้ามาเนี่ยเราต้อง สอบถามเจ้าของก่กอนนะ่ของนี้มีใครมีมีเจ้าของหรือเปล่าถ้ามีขอได้ไหมถ้าเขาบอกได้ก็เอาไปเลยถ้าเขาไม่ได้ก็ก็อย่าเอาไปคำถามจากสามะเนนพิธิวัดค่ะสมาธิสขั้นขณนิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิกับสมาบัติ8คือรูปรูปปัจานสี่กับอรูปปัานสี่ ถ้าจะจัดสมาธิทั้งสขั้นเข้ามาในฌานทั้ง8จะจัดเข้าด้วยกันอย่างไรครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับอ๋อก็คณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิก็คือฌานที่สี่ฌานที่สี่คือจิตสงบเป็นอุเบกขาสัตว์ารุรวมอยู่ถ้าคณิกะก็รวมได้เดี๋ยวเดียวได้ขณะหนึ่งคณิกะก็มาจากคาว่าขณะคณิกะก็แบบนกกระจอะกินน้ํา พอรวมลงไปปุ๊บก็เด้งออกมาครั้งแรกคนส่วนใหญ่ปฏิบัติครั้งแรกจะได้คันนิกะเพราะสติมีกําลังไม่มากมีกําลังพอที่จะดึงเข้าไปสงบปั๊บกิเลสมันก็เด้งดันกลับออกให้ออกมาก็เรียกว่าคันนิกะแต่จะเป็นความรู้สึกแปลกประหลาดมหศัศจรรย์ใจที่จะประทับใจที่จะดึงดูดใจให้อยากจะกลับเข้าไปในนั้นใหม่ก็จะมาฝึกสติให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วต่อไปก็จะเข้าไปได้อยู่นานอยู่เป็น 15นาที2ีนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงถ้าอยู่ไนิ่งได้นานๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือฌานสีส่วนอุปจารสมาธินี้มันเรียกว่าเป็นสมาธิที่เวลาจิตรวมแล้วไม่นิ่งเฉยๆออกไปเที่ยวในโลกทิพย์พวกนี้เป็นพวกที่ได้อภิญญาพวกไปไปพบเทวดาไปเที่ยวสาวรรค์ไปเที่ยวนรก มีหูทิพตาทิพดูอนาคตได้ดูอดีตได้นี่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนเอารูปฌานสมาบัตินี่ก็เป็นสมาธิที่ลึกกว่าอัปปนาสมาธิสงบกว่าละเอียดกว่าสมาธินี้มันเหมือนกับน้าที่เรากรองเนี่ยเราสามารถกรองให้มันสะอาดได้ในระดับที่เรากินได้หรือต้องการให้มันสะอาดมากกว่านั้นก็ได้ น้ำที่เราดื่มนี้ที่เราเรียกว่าสะอาดแต่มันก็ยังมีแร่ธาตุแต่เราไม่กรองมันออกไปเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์น้ำบางอย่างที่เขาใช้กับแบตเตอรี่นี้เป็นน้ำกรอ น, นี่เขาบอกเขาต้องไม่มีอะไรเลยเขาก็ต้องกรองให้มันละเอียดไปกว่า น, นั้นสมาบัรลืร่นชา น, นี่ก็เหมือนกันถ้าเลยชานสีไปแล้วนี่มันจะละเอียดกว่า ชานสี่ชานห้าชานหกชานเจ็ดชานแปดนี่มันจะสงบนิ่งมากกว่าลึกกว่าแต่ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสตัณหาสมาธินีเ้เราใช้เป็นเครื่องมือไว้เอามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาเราอยากจะหยุดความอยากเราไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีสมาธิใจเราจะไม่สัน่นตั้งแต่ช้นตั้งแต่ชานสี่ไปนี้ไม่สัน่น จะมีชา้นห้า 5, ชัานหก็ได้เหมือนกันทําหน้าที่ได้เหมือนกั น, น, นไม่จําเป็นจะต้องไปถึงชา้นที่ห้าที่หที่เจ็ดมีแค่ชา้นที่สี่ก็พอคืออัปปนาสมาธิคือมีอุเบกขาอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาอยากก็จะเฉยๆใจไม่สัน่น mm. ก็จะสู้กับความอยากได้ mm. ถ้าไม่มีชาดนี้เวลาออกไปเจอความอยากาไม่ทําตามความอยากใจมันจะสัน่น แล้วเดี๋ยวมันจะทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ต้องไปทำตามความอยากก็จะฆ่ากิเลสไม่ได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ตัวที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวความอยากนี้เองตัวตัณหาความอยากเนี่เราต้องมีสมาธิเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้ใช้จิตของเราสู้กับความอยากความอยากนี้ เราใช้ปัญญาเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุ ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไม่ทําตามความอยากนี่ปัญญาจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิใจจะสั่นใจจะทรมานเดี๋ยวก็จะทนไม่ไหวเคยเคยลองฝืนใจดูไหมฝืนได้สักเท่าไหร่ เพลินสักพักเดี๋ยวทนไม่ไหวไปซื้อกระเป๋าเลยนะซื้อรองเท้าเนี่นันะเพราะไม่มีสมาธิกันถ้ามาฝึกนั่งสมาธิจนใจสงบแล้วรับรองได้ว่าตอนนี้ไม่อยากจะซื้อของแล้วพออยากขึ้นมาก็ไม่ซื้อก็จะไม่สั่นจะสู้มันได้เข้าใจแล้วยังข้อต่อไปคําถามจากคุณลาวันค่ะการที่เอาจิตออกนอก หมายความว่าไม่ได้ภาวนาพุทโธใช่ไหมคะใช่ก็จิตถูกกิเลสกไปถูกความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสดึงไปหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยความคิดตอนต้องก็คิดก่อนคิดว่าอยากจะดูอยากฟังพอคิดแล้วก็พาร่างกายไปทำตามความอยากทันทีจิตก็ออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลาอืม ถ้าอยากจะให้มันออกไปแล้วกลับมาก็พามันไปเที่ยวป่าช้าถ้ามันอยากจะเที่ยวพามไปเที่ยวป่าช้าไปเที่ยวในป่าในเขาเดี๋ยวมันก็พอมไปเที่ยวที่เหล่านั้นมันไม่มีอะไรดึงดูดใจมันก็จะกลับเข้าข้างในเองแต่ถ้าไปเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วมันดึงดูดใจมันจะไม่ยอมกลับเข้ามาข้างในก็ต้องใช้สติดึงมันกลับเข้ามา งั้พวกที่อยากจะดึงใจเข้าข้างในยังต้องไปอยู่ตามป่าช้าอยู่ตามป่าตามเขาเพราะมันจะทําให้ดึงกลับเข้ามาข้างในง่ายเพราะไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรดูดออกไปแต่ความอยากมันยังดันออกไปอยู่แต่ไม่มีอะไรดูดแต่มันก็ยังอยากออกไปอยู่มันก็เพียงแต่มีตัวดันแต่ไม่มีตัวดูดก็ลดไปครึ่งหนึ่งพวกที่อยากจะทําใจให้สงบจึงต้องไปอยู่ที่ที่ที่สงบที่น่ากลัวเพราะใจมันจะไม่อยากออก พอคิดถึงเสือนี่มันไม่อยากจะออกนะถ้าไปอยู่ในป่า <c oughs> คิดถึงเสือคิดถึงงูคิดถึงผีนี่มันเข้าข้างในดีกว่าเพรเวลาคิดแล้วมันทรมานใจมันกลัวเวลามันกลัวนี่มันทรมานใจเนี่ยพระเวลาไปอยู่ในป่าชา้าถ้าเกิดความกลัวนี่ทั้งกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธทีเลยไม่ไปคิดอะไรออพุโทโธพุโทโธมันก็ดึงกลับเข้าข้างในไม่ไปคิดถึงเรื่องผีปั๊บเดี๋ยวมันก็หายความกลัวก็หายจิตก็สงบมีความสุขอยู่ในที่กลัวได้อย่างสบายต่อไป เพราะความกลัวมันอยู่ในใจเราไปคิดมันเองไปหลอกเราเองคิดว่าเป็นผีเป็นนูน่นจะมาทำเราท ำ, ทำนู่นทำนี่มันคิดมันก็เลยกลัวขึ้นมาพอหยุดคิดปั้นมันก็หายกลัวแล้วผีจริงๆมันก็ไม่มีเราไปสร้างมันขึ้นมาเองในใจของเราต่อไปคำถามจากคุณสถิตพรค่ะเวลามีเวทานาปวดหัวจิตวุ่นวายพอมาไหว้พระทาสมาธิ ยังไม่กําหนดก็รู้สึกว่าเวทนาหายไปสงบขึ้นแต่พอออกจากสมาธิอาการปวดหัวก็กลับมามีอาการอีกจนต้องกลับมาทางสมาธิอีกรอบไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเวลาเราเข้าสมาธิเราไม่ไปรับรู้ความเจ็บของทางร่างกายมันก็เลยมันก็มันหายไปมันหายจากใจเราแต่ไม่ได้หายจากร่างกายมันยังอยู่ในร่างกายอยู่พอใจเราออกจากความสงบเข้ามากลับมาที่ร่างกายแล้วก็มารับรู้ความเจ็บของร่างกายใหม่นั่นเอง การทำสมาธิก็เป็นเหมือนกับการฉีดยาชาเวลาเราจะไปถอนฟันก่อนจะถอนฟันหมอก็ฉีดยาชาให้ก่อนเวลาถอนฟันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บเพราะมียาชากันเอาไว้อันนี้ก็เหมือนสมาธิก็เหมือนยาชาเวลาเราเจ็บทางร่างกายเรานั่งสมาธิจิตสงบมันก็ไม่รับรู้ความเจ็บทางร่างกายคำถามจากคุณสิงเทพค่ะตอนนี้เป็นพ่อบ้านจิตเคยได้รับความสงบ ผ่านมาเก้าปีแล้วรู้สึกว่าทำไมเบื่อไหนในการคลองเรือนครับเมืม่อมีความสงบมันก็จะเห็นว่าความสุขจากความสงบอันนี้มันดีกว่าความสุขจากการคลองเรือนไงจากความสุขจากการคลองเรือนมันไม่แน่ไม่นอน ข, ข, ข, ขมขมหวนหวานบางวันก็หวานบางวันก็ขม <laughs> <laughs> <laughs> เวลามันขมมันก็เบื่อเลยแต่ความสุขจากความสงบนี่มันไม่มีขมมันหวานตลอดเวลา มันก็เลยทำให้เบื่อความสุขจักของการชีวิตครองเรือนอยากจะไปอยู่แบบชีวิตนักบวชเนี่ยเพราะมันไม่วุ่นวายชีวิตของผู้ครองเรือนนี้มันวุ่นวายเพราะมันมีอะไรคอยมาเป็นปัญหาอยู่เรื่อยเดี๋ยวอันั้นก็หมดเดี๋ยวนี่ก็หมดเดี๋ยวคนนั่นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้วุ่นวายปวดหัวหน่าเบื่อถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วเรื่องราวต่างๆอันนี้จะไม่มีจะเย็นจะสบาย คำถามจากคุณหนุ่มค่ะหากผมเอาลูกอสที่เกิดจากไข่ที่กบวางไข่ไว้ที่บ่อน้ําใกล้บ้านช้อนนําไปปล่อยตามแหล่งน้ําธรรมชาติโดยก่อนปล่อยดูแล้วบริเวณบริเวณนั้นไม่มีปลาอยู่ในบริเวณนั้นและมีที่หลบภยัยแต่ไปดูอีกทีลูกอสหายไปหมดแล้วหากลูกอสถูกปลากินไปผมจะผิดศีลข้อปานาติบาดและเป็นบาปหรือไม่ครับถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะให้เขาตายก็ ก็ไม่บาปแต่ถ้าเราทําแล้วมันทําให้เขาตายทั้งทั้งที่เราไม่มีเจตนาก็อย่าไปทำดีกว่าก็ปล่อยเขาอยู่ที่เดิมเข้าไปคำถามจากคุณนัทวัตรค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องทําอย่างไรจะได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระโสดาบันแล้วครับก็เนี่ยขั้นตอนก็ต้องฝึกสติต้องถือศีลแปดไปอยู่คนเดียว ไปสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนพอมีสติมีสมาธิแล้วก็มาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่เทีย่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่เวลาเจ็บเวลามันจะตายก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็จะเป็นพระโสดาบันได้ คำถามจากคุณธัญรัตน์ค่ะโดยปกติก็ไปวัดดูแลสงฆ์ตลอดทําลงทานถวายปัจจัยสวดมนต์ภาวนาทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ตักบาตรเราจะได้บุญไหมคะได้ได้เหมือนกันอ่ะตักบาตรก็เป็นวิธีหนึ่งไปถวายอาหารที่วัดก็เป็นเหมือนกับการตักบาตรเหมือนกันหรือไปทําบุญอย่างชนิดอื่นก็เป็นบุญเหมือนกันแทนกันได้ใช้แทนกันได้คําถามจากคุณศรีเมืองค่ะ สีนสมาธิพอรู้ครับแต่การฝึกปัญญาฝึกแบบไหนครับผมก็เห็นว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขตอนนี้เราถูกความหลงหลอกให้เราเห็นว่าการทําตามความอยากเป็นการหาความสุขกันแต่มันความสุขเบื้องต้นแล้วมันจะกลายกลายพันธุ์กลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาได้อะไรมาก็สุขพอสิ่งที่ได้มาหมดไปก็ทุก เราไม่เห็นตอนที่มันหมดเราไม่คิดถึงตอนที่มันจะหมดเราคิดแต่ตอนที่เราจะได้มันก็เลยเห็นแต่ความสุขเราถึงต้องใช้ปัญญาให้มองหเห็นว่าความจริงแล้วการหาการทำอะไรตามความอยากนี่มันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าเพราะในบ้านปลายมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปคําถามจากคุณกระหนกทิพย์ค่ะ เวล า, เ, าเวลาเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการทําบุญแต่ละครั้งให้ผู้ร้องรับไปแล้วเราสามารถให้ได้หลายคนหรือให้ได้เฉพาะเจาะจงแค่คนเดียวคะเออได้เท่าไหร่ให้ได้หมดก็ต้องอไปแบ่งกันนั่นเอง <c oughs> ถ้าได้คนเดียวก็ได้เยอะหน่อยถ้าได้หลายคนก็อาจจะต้องทําบุญเยอะหน่อย <c oughs> ถ้าจะส่งไปให้สิบคนก็ต้องทํำสิบสิบกองทําบุญ10บกองถ้าส่งไปให้คนเดียวก็กองเดียว ถ้าอยากจะให้เขาได้สิบกองก็ได้คนเดียวก็ทำสิบกองไปก็เหมือนกับที่เราเอาเงินไปให้คนน่ะเหมือนกันแหละให้มาก<ไ>ถ้าให้จำนวนเดียวกันแต่ต้องไปแบ่งกันหลายคนมันก็ต้องแบ่งกันก็ได้ไม่ไม่มากแต่ถ้าให้คนเดียวคนเดียวรับมันก็จะได้มากคำถามจากคุณพิมพ์ค่ะการที่เราสามารถยกจิตเหมือนเวทนาได้แค่เพียงระยะสั้น นั่นคือกำลังอยู่ในในสมาธิระดับไหนเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันจะพูดยกจิตยังไงก็ไม่รู้จิตทำไมต้องไปยกมันด้วย <c oughs> เดี๋ยวถามใหม่ดีกว่าทำถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยพอดีอยากจะขอถามว่าวเวลาประชุมเพลิอ น, นะครับเว่าเขาวางดอกไม้จันนะครับ มีคนแนะนําว่าให้พูดว่าจุดติจุดตังต่าหังจุดติคือคําพูดที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องพูดหรอกต้ <c oughs> ก็ว่าไปตามที่เขาเข้าใจเนะ่ย <c> ม <oughs> ันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้มัน <c oughs> ไม่มีผลเราไม่ไปงานศพก็ได้เขาก็เผามันก็ไหม้เหมือนกัน <c oughs> งานศพก็คือการาเผาศพแต่ลเอย่างนั้นใจให้พูดอะไรก็พูดไปครับ เวลาพาไปชักผ้าท่านก็พูดว่าอ น, นิจจาวัานสังขาระก็เป็นการตือนใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นธรรมดามีรักดับไปเป็นธรรมดาการหลุดพ้นจากการมีสังขารได้เป็นความสุขอย่างยิ่งคือการไม่กลับมาเกิดได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะถ้าต้องกลับมาเกิดก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ <Yes. S 1> อันนี้เป็นการสอนพระสอนตัวเอง ให้พระสอนตัวเองเวลาไปชักผ้าให้รู้ว่ามาบวชทำไมมาบวชเพื่อมาตัดกิเลสไม่ใช่มาบวชเพื่อมาสร้างกิเลสเพราะถ้ามีกิเลสเดี๋ยวจะต้องกลับมาเกิดเกิดแล้วก็ลงมาแก่มาเจ็บมาตายยิง่งเวลาไปชักผ้าจะได้รู้ว่ามามาบวชเพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสมาหยุดความอยากต่างๆในการไปปฏิบัติสิ่งสมาธิปัญญา อันนี้ก็เป็นการสอน อ, อที่เขาให้พูดนั้นเขาคงจะหมายึงให้ให้เราให้พรคนที่ตายมั้เขอให้ไปสู่ไปไปเกิดเป็นเป็นพระ อ, อรหงศ์อรหันตุติอรหันต์ใช่ไหมจุติก็แปลว่าเกิดใช่ไหมว่มาว่าสีคุณแมวก็าถามว่าค่าไมจะถามเขาบอกว่าระหว่างคนธรรมดาผิดศีลกับพระผิดศีลเนี่ยเท่ากันเท่ากันเท่ากันโทษเท่ากันโทษเยะกว่่าจไม ก็มันสิลมันมันอันเดียวกันน่ะฆ่าคนมันก็ฆ่ามันก็ผิดเท่ากันแต่ว่าฆ่าแบบไหนฆ่าคนชนิดไหนมันมันมีโทษหนักเบาฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่หนักกว่าฆ่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ฆ่าเหมือนกันผิดเท่ากันไม่มีหนักกว่ากันเบากว่ากันไม่หนักกเ่าหรอ เท่ากันเพราะาทำบาปมันบาปเหมือนกันก็โมยเงินน้อยบาทมันก็ผิดแค่เท่ากันจะเป็นพาลหรือเป็นโยมันก็ผิดเท่ากันงั้นกฎหมายก็แบ่งกันเลยผู้หญิงทำบาปผิดน้อยกว่าผู้ชายตามผิดกฎหมายขับรถชนคนตายถ้าเป็นผู้หญิงขับผิดครื่งเดียวถ้าเป็นผู้ชายขับนี่ผิดเต็มร้อยไม่ใช่มันก็มอนก็เหมือนกันแหละว่ามา อย่างเ ว, าเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าเจอพระสองนี้ครับบางทีนั่งขัดสมาธิกับนั่งนั่งพระเพียบอะไรเงี้ยครับอ่านั่งขัดสมาธิจะถือว่าไม่เรียบร้อยกับครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองผมนั่งขัดสมาธิแล้วรู้สึกสบายกว่าครับอ่าก็คือโดยมรารยาทเนี่ยเขาถือท่านั่งสมบูบราณเขามีนั่งอยู่สองท่าคือขัดสมาธิกับพระเพียบเวลาเขา พบปะกันเวลาทําอะไรกิจร่วมกันนี้ก็จะนั่งพับเพียบโดยเฉพาะยิ่งถ้าผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่จะนั่งขัดสมาธิได้แต่ผู้น้อยต้องนั่งพับเพียบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแต่ถ้าเวลานั่งสมาธินี่เขาอนุญาตให้นั่งขัดสมาธิได้เพราะเป็นถ้าที่นั่งปฏิบัติแต่ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิ เช่นเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมนี่ลูกศิษย์นี่จะนั่งครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งขัดสมาธิท่านก็นั่งนั่งพักเพียบเราก็ต้องนั่งพักเพียบต่งางอต่ถ้าเวลารับประทานอาหารนี่ท่านอนุญาตให้นั่งขัดสมาธิได้นั่งท่าสบายได้แต่ถ้าเวลาสนทนากันอะไรกันนี่ธรมเนียมประเพณีก็ให้นั่งพักเพียบกันอันนี้ก็ต้องว่าไปตามประเพณีเท่านั้นเองตา ไม่ได้มีความเสียหายร้ายแรงอะไรเพียงแต่ว่าจะทำให้เรากลายเป็นคนเฉยไปเป็นคนไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเท่านั้นเองญ<ม>าติโยมส่วนใหญ่มาฟังธรรม ท, ที่นี่เขาก็<ม>เขาก็คิดไปในแน่ว่าเวลาเขาฟังธรรมเขานั่งสมาธิกันเขาก็เลยนั่งขัดสมาธิกันเราก็ไม่ถือสาเราก็ไม่ว่าเลยขอให้ท่านนั่งไม่สำคัญสำหรับเรา ทำคัรที่สติเวลาฟังแล้วใจตั้งใจฟังหรือเปล่าถ้าตั้งใจฟังแล้วอันนี้นะเป็นตัวสําคัญกว่าท่านั่งแต่ท่านั่งนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติบัญญตัติเป็นเรื่องของประเพณีที่เขาทํากันมา อ, อก็เลยเจ้าต้องมีท่านั่งในท่าต่างๆเหมือนแต่งตัดแต่งกายแล้วก็มีการแต่งกายหลายแบบใช่ไหมไปงานศพแล้วก็ต้องแต่งกายแบบหนึ่งไปงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่ง กายอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไปงานศพก็แต่งสีฉุดฉาดเวลาไปงานแต่งงานก็ไปใส่ชุดดํานี่นี้เหมือนก็ผิดกาลเทศะถ้านั่งนี่ก็เหมือนกับกาลเทศะนั้นเองอาจารย์นั่งตะเพียกในช็อกกิ้คน <c oughs> หนึ่งเขานั่งได้สลับไปสลับมาได้ได้เรื่องเราจะฝึกทนไปเพื่อจะได้ฝึกจิตให้ ให้แข็งขึ้นเขาถือว่าเป็นการฝึกจิตไปในตัวเวลานั่งแล้วมันไม่สบายใจก็ต้องพยายามมีสติควบคุมใจให้มันนิ่งแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับความไม่สบายของร่างกายได้ถ้าเราต้องขยับอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าเกิดเวลาไม่สบายแล้วขยับไม่ได้จะทําไงใจเราก็จะทรมานแต่ถ้าเรารู้จักทําใจตอนที่ร่างกายไม่สบายแล้วเราทาใจให้นิ่งให้สงบ ใจเราก็จะไม่ทรมานเราต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยคำถามจากคุณนัทวัตรค่ะวิธีการเจริญวิปัสสนาทํำยังไงครับวิปัสสนาก็คือให้รู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริงเช่น ร, รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกแล้วตกที่ตะวันตกเรียกว่าวิปัสสนาบางอย่างนี้เราไม่รู้ตามความเป็นจริง เราไม่รู้ว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเรามักจะไปคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนี่เราต้องคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราลืมกันเราไม่ยอมคิดถึงมันเราก็เลยลืมพอเราลืมแล้วเราก็เลยไปคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอเวลาแก่ ก, ก็ตกใจกันใช่ไหมเวลาผมหงอกขึ้นมาสักเส้นก็ตกใจกันเวลาอะไรอะไรกาลินกาหรือเรื่องอะไร อออตีนกาพอเห็นตีนกาโผล่ขึ้นมาที่หน้าก็ตกใจออถ้าเรารู้ว่าจะต้องแก่แล้วรู้ว่าผมจะต้องหงอกจะต้องมีลิ้นกาเราจะไปตกใจทาไมแสดงว่าเราดื้อไปแล้เราไม่เป็นวิปัสสนาเราไม่มีวิปัสสนาเราไม่เห็นความจริงของชีวิตเราว่าเป็นอย่างไรเออ เราถึงต <beep. S 2> ้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนมาเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาน่วงพ้นความพัดภาคจากกันไปไม่ได้ถ้าสอนนี้อยู่เรื่อยจนจําได้เนี่ยเวลาเกิดความแก่ก็จะเฉยๆไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร เวลาใครตายก็ไม่ต้องลงข่าวหน้าหนึ่งว่าคนนั้นตายคนนี้ตายก็รู้ว่าเกิดมาทุกคนมันก็ต้องตายกันทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องแปลกไปใช่ไหะทั้งที่พระเจ้าบอกเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายเี่ยถ้าเรายังไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ GOT แสดงว่าเราไม่มีวิปัสสนาถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวเราต้องอมาสอนใจอยู่เรื่อยๆเรียกว่าวิปัสสนา สอนใจจนกระทั่งเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอมันธรรมดาเราก็สบายไม่ต้องตื่นเต้นวุ่นวายกันแกก็แก่ไปเลยเจ็บก็เจ็บไปเลยตายก็ตายไปตายก็เผาอะไรก็จบเห็นมีอะไรเลยนี่วิปัสสนาคนที่มีวิปัสสนาแล้วจะไม่ตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์ความเป็นจริงของชีวิตชีวิตมีขึ้นไม่ลงนี่ก็เป็นวิปัสสนาได้ลาบ ม, มาก็ต้องเสื่อมลาบนี่ก็เป็นวิปัสสนา เวลาได้เงินมาเนี่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวเดียวก็หมดใช่ไหมอันนั้นก็วิปัสสนาแต่เราไม่ยอมให้มันหมดเนี่ยอยากจะให้มันมาอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ไม่เป็นวิปัสสนาและเป็นความหลงอะไม่ไม่อยู่กับความเป็นจริงยันต้องสอนว่ามีการเจริญลาบก็ต้องมีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดา มันของคู่กันมันของมาด้วยกันมันเจริญก่อนแล้วก็เสื่อมที่หลังถ้ามันไม่เจริญมันจะเสื่อมไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเงินมันจะเงินเงินมันจะเสื่อมเงินได้ไงมันต้องมีเงินมาก่อนพอได้เงินแล้วมันถึงจะเสื่อมได้พอได้ตำแหน่งมันถึงจะเสื่อมจากตำแหน่งได้ถ้าเราไม่อยากให้มันเสื่อมก็อย่าไปมีมันสิง่ายจะตายอยู่แบบไม่มีเงินเนี่ยอยู่แบบพาเนี่ย บวชมาตั้งเกือบสิบปีไม่ได้ใช้เงินสักบาทเนีไไไ่ไม่มียศไม่มีตําแหน่งก็ไม่เดือดร้อนมียศแล้วเดี๋ยวเกิดเขาปวดออกก็เสียใจใช่ไหมถ้ามีสราเสริญแล้วเดี๋ยววันดีเกินดีเขาด่าเราขึ้นมาก็เสียใจงั้นอย่าไป ม, มีของพวกนี้เลยมีแล้วมันทุกข์เนี่ยก่อนที่มีวิปัสสนาเจเห็นว่ามีอะไรแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีมัน มีร่างกายก็ต้องทุกกับร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมาอยากจะมีร่างกายก็ต้องหยุดความอยากมาเกิดให้ได้หยุดความอยากต่างๆที่จะพาให้เรามาเกิดให้ได้พอหยุดความอยากได้หยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกใหม่หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วนี <c> ่ <oughs> เรียกว่าวิปัสสนาคําถามจากคุณลาวานันค่ะ เคยมีพระป่าท่านสอนว่าเวลาที่เราจะตายให้ปล่อยวางให้หมดแม้แต่พุทโธไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะให้ปล่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ได้ตอนตายปล่อยไม่ได้เข้าใจนะใช่ไหมถ้าปล่อยตรงนี้ไม่ได้เวลาตายจะไปปล่อยได้ไอหมมันก็ต้องหัดปล่อยตอนนี้เลยนี่มาให้มาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ไปรอตอนตายเราจะไปรู้ตอนตายตอนไหนนะ เราจะตอนเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่เรารู้ป่ะเกิมันตายเกิดมันจะตายวันนี้ขึ้นมาแล้วเราจะทํายังไงอเอาน่า<ง>ต้องคิดเวาลาจะตายวันนี้ก็ได้เอานเราต้องร<ง>ีบมาปล่อยเช่นตั้งแต่วันนี้ <c oughs> ถ้าปล่อยวันนี้ได้แล้วจะตายวันไหนก็ไม่เดือดร้อนเพราะปล่อยได้แล้ว <c oughs> ถ้ายังปล่อยไม่ได้หรือคิดหรือว่าวันตายจะปล่อยได้ไม่ได้หรอกเอาน่ามาปล่อยตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้ถ้าปล่อยวันนี้ได้แล้วพรุ่งนี้ตายก็ปล่อยได้มะเร็งนี้ตายก็ปล่อยได้ อีกยี่สิปีตายก็ปล่อยได้แต่ถ้าวันนี้ยังปล่อยไม่ได้พรุ่งนี้ก็ปล่อยไม่ได้ถ้าไม่มาฝึกปล่อยมันปล่อยไม่ได้หรอถามจากคุณสล <c oughs> าวดีค่ะโยมปฏิบัติอานาปนาสติตอนนี้จิตนิ่งสงบมาสักพักเวลาอะไรมากระทบก็รู้ไปเฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับอะไรก็ดูมันไปใช้ปัญญาสอนไปโยมควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะ ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หาข้อสอบมาทดสอบใจดูว่าใจจะเฉยได้ไหมเวลาเสียเงินไปสักสองสามพันสี่ห้าพันนี้อ <c oughs> ว่าเวลา <c oughs> เวลาเสียแฟนไปนี่เฉยได้หรือเปล่า <c oughs> ต้องต้องทดสอบต้องถามตัวเราเองถ้าเราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราจะเฉยได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราเฉยได้ก็ดี ก็ต้องทดสอบจิตใจต้องสอบอารมณ์ตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาสอบ <c oughs> แต่ถ้าคนคนอื่นมาสอบได้ยิ่งดีไยเวลาเ็้ามาด่าเราเนี่ยเข้ามาสอบอารมณ์เราละหรือว่าเราเฉยได้หรือเปล่าเวลาเข้ามาแย่งของเราไปเฉยได้เปล่า อ, อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการสอบอารมณ์อตอนนี้เราฝึกสอนใจให้ให้นิ่งให้เฉยแต่เรายังอาจจะไม่เจอข้อสอบหนักๆ ก, ก, ก็ได้ เราต้องคิดถึงข้อสอบต่างๆที่เราอาจจะต้องเจอแล้วดูว่าเราจะทําข้อสอบเหล่านั้นได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้ต่อไปเราจะสบายใจเราจะเฉยกับทุกอย่างจะคาชมคําด่าก็เฉยได้ได้หรือเสียก็เฉยได้เงินมาก็เฉยเสียไปก็เฉยเลองฝึกเสียเงินดูแล้วดูว่าจะเฉยไหมเวลา ได้ตอนนี้มีเงินเหลือเยอะแล้วเกินเอาไปทําบุญท <c oughs> ่านี่หรือจะเฉยได้เปล่าคำถามจากคุณณัทวัฒน์ค่ะการเลี้ยงสัตว์เช่นกุ้งเพื่อขายให้เขาเอาไว้เลี้ยงเพื่อความสวยงามอย่างนี้ถือว่าเข้าขายปาณาติบาตไหมครับถ้าก็ยังไม่ตายก็ไม่ไม่ปานาติบาแต่ก็ไม่ดีหรอกมีใครอยากจะถูกขังอยู่ในกรงบ้างถ้าเราเป็นกุ้งเราจะ <c oughs> ให้เราเลิกระวางไปอยู่ในบึงในสระ อยู่ในทะเลกับอยู่ในตู้ให้เข้าดูเราเนี่ยเราจะเอาอันไหนต้องคิดถึง โ, โอกเขา โ, โอกเรานาะแล้วต่อไปเราจะเกิดไปไปเกิดเป็นกุ้งก็ได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีมีไปเกิดได้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ยังถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดเป็นกุ้งเราก็อย่าไปเลี้ยงกุ้งเลยหาอาชีพอื่นดีกว่าทำอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นดีกว่า ไปเย็บปักถักร้อยไปทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นจะปลอดภัยกว่าเพราะไปทำเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นเหนือมันจะกลับมากรรมมาหาเรานั่นต่อไปเวลาเราตายไปเราอาจจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงนั่นทำอะไรไว้กับเขาก็จะต้องถูกเขากลับมาทําำเรานี่คือกฎแห่งกรรมจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญนั้นและบาปนั้น คำถามจากคุณธัญรัตน์ค่ะลูกสาวมักจะฝันเห็นเทพเทวดาและมีการคุยติดต่อกับเทพทุกวันลูกกลัวว่าลูกสาวจะติดกับตรงนี้มากไปกลัวคนอื่นว่าลูกเพีย้ยนลูกอายุเก้าขวบค่ะทํายังไงดีคะถ้าก็เห็นจริงๆก็ไปทําไงได้เขาเห็นก็เห็นเลยใีนี้คนที่ไม่เห็น ก, ก, ก็ก็อาจจะคิดว่าเขาเพี้ยนก็ได้เดีนจะบอกลูกว่า ล, ลูกอย่าไปบอกใครก็แล้วกัน ลูกๆก็เก็บไว้ภายในใจถ้าจะบอกก็ต้องบอกกับคนที่เขาเห็นถ้าคนเห็นด้วยการพูดการเข้าใจแต่คนท네ี่ไม่เห็นไปบอกแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็เขาก็จะมาว่าเราเพี้ยนความจริงคนที่ไม่เห็นอะเพี้ยนเพราะไปว่าคนที่เขาเห็นเหมือนคนตาบอดไปว่าคนตาดีเจ๊ะไหมแต่คนตาดีก็ต้องฉลาดไอ้ก็อนมคุยกับคนตาบอดเนี่ยไปพูดไปเดี๋ยวมันจะหาว่าเราบ้าใช่ไหมก็อย่าพูดเท่านั้นเอง สอนลูกถ้าลูกเห็นจริงๆก็รู้ไว้เฉยๆถ้าจะบอกใครก็บอกกับแม่คนเดียวก็แล้วกันอย่าไปคุยกับคนที่ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูเพี้ยนเพราะหนูไม่เหมือนเขาไงเพราะหนูตาดีเขาตาบอดก็เลยไม่เหมือนกันเวลาอยู่กับคนตาบอดก็ต้องทําตัวเองเป็นเหมือนคนตาบอดเราจะอยู่กับเขาได้ถ้าไปทําตัวเป็นคนตาดีก็อยู่ไม่ได้เดินแล้วดังเนีเดี๋ยวก็ดับใช่ไหม <c oughs> เด่นดังแล้วก็ดับ เดี๋ยวคนอื่ก็คอมเมนต์คมเมนต์เราเลยอยู่ว่าใครต้องพยายามทําตัวอย่าไปสูงกว่าเขาอย่าไปเด่นกว่าเขาถ้าเด่นกับเขาแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาอิจฉาริอเสยียถูกเขาขัดแข่งขัดขานอกจากเราเป็นคนที่กล้าหาไม่กลัวก็อยู่ไปเด่นก็เด่นใครจะใครจะอิจฉาริษยาก็เรื่องของเขาห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้ ห้ามให้เราเด่นไม่ได้แล้วก็ห้ามให้เขาอิจฉาริษยาไม่ได้ก็คิดอย่างนี้ก็แล้ว ก, กันก็อยู่กันไป <Yeah. S 1> บางทีมันห้ามไม่ได้คนมันจะเด่นคนจะดังขึ้นมาใช่ไหมมันเรื่องของบุญของบา ร, รมีของวาสนาที่เราทํากันมาในอดีตมันไม่เท่ากันไงมันเลยทําให้คนเรามีคนมีมีเด่นมีดังไม่เท่ากันโ mm hmm. บราณท่านบอกว่าแข่งรถแข่งเรือนี่พอแข่งกันได้แต่แข่งเรื่องวาสนาบา ร, รมีนี่มันแข่งไม่ได้ เวลามันจะมามันมาเองอย่างถ้าเราเด่นเราดังเราก็ต้องทำใจกันแล้วกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเป็นเป้าแล้วละต้องให้เขาคอมเนแล้วละต้องให้เขาอิจฉารอสียก็วิธีที่จะแก้ความอิจฉาหรือสียก็มีอะไรก็แบ่งให้เขาบ้างอ่ <c oughs> ะเดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อนเราเอง <c oughs> <c oughs> ที่เขาอิจฉาริา <c oughs> อเสียเพราะเขาไม่ได้เหมือนกับที่เราได้นั่นเอง ถ้าเราไปแบ่งให้เขาบ้างเขาพอก็ได้บ้างเขาก็จะาหายอิจฉาลัทธยากลับมาเป็นเพื่อนเราดีไม่ดีมาเป็นคอยปกป้องเราให้เราด้วยซ้าไปงั <c oughs> ้นถ้าเรามีก็อย่าหวงมีแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันความแบ่งปันนี้จะทําให้เรามีมิตรมีเพื่อนที่เรามาทําบุญเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการสร้างมิตรกันแผ่เมตตาคนที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย อย่างนั้ไปแล้วจะไม่ตายด้วยอาวุธไม่ตายด้วยยาพิษ <Yeah. S 1> เพราะไม่มีใครคิดจะมาฆ่าเราเพราะเรามีความเมตตาต่อเขามีอะไรก็แบ่งปันกันไป <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 1> เอามาทําประโยชน์ดีกว่า <Yeah. S 1> มาทําบุญทําทานแผ่เมตตกันไป <Yeah. S 1> แล้วจะมีมิตรมีเพื่อนจะมีองครักษ์มีคอยมาคอยมีคนมาคอยป้องกันเราเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมาช่วยเหลือเรา คำถามจากคุณมะลิค่ะการไปงานศพเพราะกลัวว่าถ้าไม่ได้ไปคนตายจะเสียใจจริงๆแล้วคนตายรับรู้ไหมคะไม่รู้หรอกเพาจะรู้ได้ไงเขาไปแนละ้วร่างกายอยู่นี่เป็นไม่ใช่เป็นคนตายคนที่ตายไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจพอตายแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่นอนหลับฝันไปแล้วเ้าก็ฝันดีฝันลายไปตามตา ม, ตามบุญตามบาปของเขาถ้าเขาฝันลายถ้าเขาทาบาปเขาก็จะไปฝันลาย ฝันว่าไปมีเรื่องมีราวมีปัญหากับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลาที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับอะตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ร่างกายก็เหมือนตายชั่วคราวเนี่ยตอนคืนที่เรานอนเนี่ยร่างกายตายชั่วคราวใจเมื่อไม่ได้ใช้ร่างกายใจมันก็เลยไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ตามกาลังของบุญของบาปพาไป weiterhin. พอคนตายจริงๆก็ไปยาวเลยถ้านอนหลับมันก็แปแค <ti> ่ชั่วคราว 5้ชั่วโมงเจ็ด8ดชั่วโมงก็กลับเข้ามาในร่างใหม่พอร่างกายตื่นก็กลับมาใหม่พอร่างกายหลับก็ไปใหม่แต่ถ้าถ้าหลับแบบไม่ตื่นก็ไปยาวเลย <c oughs> จะตื่นอีกทีก็ต่อเมื่อได้ร่างกายอันใหม่ได้มาเกิดใหม่เ <c oughs> นี่ยเวลาตายนี่เหมือนเป็นนอนหลับฝันไปแล้วจะไปอบายไปสวรรค์ก็อยู่ที่ฝันฝันดีหรือฝันร้ายถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าไปไปอบายถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้มาเกิดใหม่ได้มาร่างกายอันใหม่คำถามจากคุณวัญญาค่ะภาวนาแล้วจิตสงบสว่างจ้ามองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเหมือนลืมตาเห็นพญานาคชูคออยู่ใกล้ๆพอเกิดความอยากรู้ภาพเลยหายไปอยากทราบว่าที่เห็นนั้นเป็นของจริงไหมคะจะภาวนาต่ออย่างไรในขณะนั้นคะ ถ้านั่งสมาธิจริงๆนี้ไม่ไม่ควรที่จะไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ว่ามันไม่จริงก็ไม่ได้เพราะมันจริงในขณะที่มันมีอยู่แต่มันขณะมันมีอยู่เดียวเดียวเนี่ยมันก็ดับไปพอดับไปมันก็เหมือนกับไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่ควรไปสนใจภาพต่างๆควรจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจ เพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความว่างจะดีกว่าความว่างเนี่ยเป็นของจริงแท้เพราะมันจะมีอยู่ตลอดเวลาให้อยู่กับอุเบกขาจิตสงบอยู่ข้างสุขถ้าเราไปติดกับที่รูปไปดูที่รูปมันก็จะไปไม่ไปไม่ถึงจุดของความสงบใ น, นเวลานั่งอย่าไปสนใจเวลาเกิดภาพเกิดอะไรขึ้นมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิ เราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าการเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆคําถามจากคุณสีเมืองค่ะสุดท้ายนะสุดท้ายตอนพระให้พรเริ่มยะถาควรตั้งจิตและอธิษฐานแบบไหนจึงจะเกิดผลสูงสุดครับไม่เกิดเลยเนี่ยเพราะว่านะพระให้พรพร <laughs> ไม่ได้เกิดจากพระใช่ไหมพรมันเกิดจากการกระทําของเราเราทําบุญนี้เราได้พรแล้ว อายุวันนะสุขังพลังนี่เราได้แล้วพระเพียงแต่สอนเราว่าทำแล้วจะได้อะไรเท่านั้นเอง mm hmm. ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งจิตตั้งใจให้เสียเวลา แ, ลแต่ก็โดยมารยาทเวลาพระท่านสวดเราก็เคารพเราก็นั่งฟังเฉยๆไปเ mm hmm. ทรานั้นเอง mm hmm. แต่บุญกุศลนี้เกิดแล้วจากการที่เราถวายของถวายอะไร ถ้าเราไม่ได้ถวายแล้วฟังเนี่ยตอนนี้คนอยู่ทางบ้านให้นะสวดแล้วถามว่าจะได้เลยรอปล่ไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่คำสวดเท่านั้นแต่ผลทางจิตใจมันไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้บ่ยจากไม่ได้เสียสละไม่ได้ทำอะไร เ, เวลาพระให้พอ น, นี้เป็นการสอนเป็นการบอกว่าวันนี้โยมมาทำบุญทำแล้วผลจะเป็นยังไงจะเจริญด้วยอายุวันณะสุขาาะภาละนี่ท่านสอนท่านบอกแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนมอบของเหล่านี้ให้กับเรา โยมเป็นคนมอบให้กับตัวของโยมเองเหมือนกับไปซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวเองเนี่ยเวลาไปซื้อเสื้อผ้าเราต้องบอกให้คนที่ร้านสวดให้เราเปล่าว่าใช่ไหมซื้อเสื้อผ้าเราได้เสื้อผ้ามาเราก็ไปแล้วล่ะอคนทาบุญจริงๆอ่ะไม่ต้องมารอรับรับพรหรอกพอทําเสร็จก็ได้พรแล้วไปได้แล้วถ้ไม่ต้องมานั่งรอใพระสวดมันเกิดจากการกระทําของเรา มอนกับการไปซื้อของซื้อของเราซื้อของเสร็จแล้วไม่ต้องร้อยหคนที่ขายของเราสวดให้เราอ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกนอานโยงของมาให้ก็เหมือนกับมาซื้อของจากพระซื้อบุญจากพระพอได้บุญแล้วก็ไปเลยไม่ต้องให้พระมาบอกว่าคุณได้บุญแล้วเข้าใจมได้แล้วไม่ต้องบอกบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ <c oughs> อ่าเข้าใจยังหมดแล้วนะวันนี้เหนื่อยแล้ว ก็ขอให้จงท่านทั้งหลายจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ